จเจริญพรยอโยมค่ะกลับนมัสการค่ะวันนี้ได้เห็นหัวข้อคาวู้ตัวเราสำคัญนักแลคำหลวงพ่อวันนี้จะจะคุยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเบื้องต้นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีคำบางคำหรือว่าภาษาบางคำเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรนะหลวงพ่อเอาอย่างนี้ว่าไอ้ที่บางทีเราใช้สรรพนามเรียกว่าตัวเรานะ หรือว่าตัวผมตัวฉันเนี่ยตัวเราตัวกูเนี่ยนะอันนี้คือจริงๆเราพูดพูดอ่าหมายถึงว่าพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่มันมีอยู่นะแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันประกอบขึ้นมาให้เป็นที่เรียกว่าเป็นเรานี่แหละนะแต่ความจริงเนี่ยคำว่าเราหรือว่าฉันเนี่ยหรือว่าตัวเราเนี่ยนะอันนี้มันเป็นสรรพนามเป็นสรรพนามเรียกเนาะแต่โดยโดยเนื้อหาของธรรมะเนี่ย หลวงพ่อจะใช้คําว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือมันเป็นสังขาร น, นะเพราะฉะนั้นบางช่วงบางครั้งเนี่ยที่หลวงพ่อใช้คําว่ามันเป็นสังขารเนี่ยนั่นหมายถึงตัวเราทั้งตัวเนาะแต่ว่าถ้าจะแยกย่อยนะแยกย่อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อใช้คําว่าสังขารเนี่ยบางครั้งเนี่ยรูปนี่ก็เป็นสังขารเวทนานะเวทนาเนี่ยซึ่งมันเป็นหนึ่งในขันห้าหลวงพ่อบางครั้งหลวงพ่ออาจจะเรียกว่าเป็นสังขารเหมือนกัน สัญญานะสัญญามันก็เป็นขันขันหนึ่งในขันห้าแต่บางครั้งหลวงพ่อใช้คําว่าเป็นสังขารแล้วก็ไอ้สังขารในขันห้าก็คือมันก็เป็นสังขารอยู่แล้วหลวงพ่อก็จะเรียกว่าสังขารแล้วจิตนะจิตวิญญาณที่รับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจอันเนี้ยหลวงพ่อก็อาจจะใช้คําว่าสังขารเพราะงั้นให้พวกเราเข้าใจร่วมกันนะถ้าคราวใดที่หลวงพ่อใช้คําว่าสังขารเนี่ย มันก็คือนี่แหละร่างกายจิตใจคือตัวเราทั้งหมดทั้งตัวทั้งสิ้นนะเรียกรวมรวมว่ามันเป็นสังขารนะแล้วฐ่านนี้เรียกว่ามันมีความไม่เที่ยงนะเออมีความไม่เที่ยงความหมายของมันก็คือว่ามีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงเนาะเกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็ต้องหมดไปอ่ามันง่ายๆแล้วก็ไอสังขารเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นเป็นทุกข์ในตัวของมันคือมันมีลักษณะที่ทน ทนได้ยากทนอยู่ยากมันเลยต้องถูกบีบคั้นให้ให้เกิดแตกดับถูกสลายไปเนาะอันนี้มันก็เป็นทุกขังแล้วเมื่อสิ่งใดมันเป็นสังขารสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอนัตตาเนาะอนัตตาคือตรงข้ามกับอัตตาอัตตาเนี่ยความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงเนาะแต่ด้วยความหลงไปยึดถือ สังขารมาเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยเป็นอัตตาแต่โดยกันของธรรมแล้วโดยปรมัตถ์แล้วเนี่ยมันไม่มีอัตตาอยู่จริงมีแต่อนัตตารวมความแล้วตัวเราที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยเนี่ยก็คือมีลักษณะสามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เบื้องต้นเนาะเพื่อที่จะให้เข้าใจเพื่อต่อไปเนี่ยจะได้สื่อสารกันเออจะได้เข้าใจตรงกันอืมค่ะทีนี้ หลวงพ่อก็ทบทวนนิดหนึ่งจริงๆเรื่องที่เป็นปัจจุบันโดยแท้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาพูดเอามาบรรยายได้เพราะว่าสิ่งใดที่มันสังขารเนี่ยเวลามันเกิดปั๊บในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะตกหล่นไปอยู่ในอดีตทันทีเนาะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันติดเดียวแค่นั้นแล้วก็มันเป็นอดีตไปทันทีนะส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ทีนี้หลวงพ่อก็จะพูดเรื่องของอปัจจุบเอ้ยอดีต ท, ที่มันเคยเป็นปัจจุบันเนาะแต่ปัจจุบแต่ตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วแต่เป็นอดีต ท, ที่ยังไม่นานสักเท่าไหร่หลวงพ่อก็จะมาพูดคุยเพื่อให้เราเห็นภาพกว้างๆว่ า, วาอสมมติตั้งแต่ตื่นนอนมาเช้านี้เนาะพวกเราเนี่ยใช่หลวงพ่อจะกําวว่าพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยหลายๆคนคือทุกคนแหละเมื่อตื่นมาแล้วเนี่ยย่อมจะต้องมีกิจของตัวเองเนาะมีกิจเช่น เข้าห้องน้ำแปลงฟันอาบน้ำนะสวมใส่เสื้อผ้าหรือว่าหุงข้าวทำอาหารไปตลาดไปจ่ายกับข้าวแล้วก็ไปพูดไปคุยไปอะไรต่างๆแล้วก็มีอารมณ์ทางจิตใจเนี่ยมากมายสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่เคยมีอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นๆแต่ตอนนี้ดับแล้วหมดแล้วแต่ทีนี้เรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย หลวงพ่อต้องการสื่อให้เห็นว่าอาการกิริยาต่างๆที่ได้ะะยกตัวอย่างเนาะเช่นไปกับข้าวไปตลาดไปทำโน่นทํานี่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เราเป็นสังขารที่มันมีการเคลื่อนไหวมีความแปรปรวนมีความคิดมีความรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนี้รวมลงเรียกว่าเป็นสังขาร ไม่ใช่เราตรงนี้ต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะถึงแม้ว่ามันยังไม่เข้าใจถึงใจว่าไม่ใช่เราแต่ต้องฟังด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนว่าอ๋อพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามันเป็นอนัตตามหมดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นสิ่งที่กําลังปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆนี่แหละคือสังขารกําลังปรุงแต่งอยู่ แล้วมันก็เปลี่ยนไปนะให้เห็นแจ้งอยู่อย่างนี้ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลามันมีแต่สังขารเท่านั้นมีแต่สังขารเท่านั้นห้เห็นแต่การจะเห็นได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติคือไม่ลืมไม่ลืมที่จะรู้ตัวไม่ลืมที่จะรู้ตัวเพราะตัวนี่แหละคือสังฐานแล้วไม่ลืมที่จะรู้ตัวใครก็คือไม่ลืมที่จะรู้ตัวเองนะก็คือไม่ลืมที่จะรู้ตัวเรา ตัวเราก็คือสังขารเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวเราเท่ากับว่ารู้จักสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยเนืองรอเราก็เรียกว่าตลอดเวลาหรือว่าไ ม, ไม่ถึงกับขนาดตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะเครียดมีการมีการตั้งก็เรียกว่าตั้งใจเกินไปเนาะที่จะรู้ตัวเรามันจะเครียดก็ให้เป็นธรรมชาติเป็นปกติรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ให้เพียรที่จะสังเกตสังขารนะสังเกตตัวเองที่มีการ ออทํากิ จ, จวัตรประจำวันทําอะไรบ้างขณะทําอะไรขณะเดินนั่งพูดคิดอะไรก็แล้วแต่หัดรู้หัดเห็นหัดรู้หัดเห็นการที่หัดรู้หัดเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาถ้าขาดสตินะถ้าขาดสติเนี่ยเท่ากับว่าตัวรู้ไม่มีตัวรู้ไม่ทํางานแต่ถ้ามีสตินะมีสติอยู่ขณะใดตัวรู้ก็ย่อมรู้ได้รู้อะไรก็คือรู้สังขาร เมื่อรู้มากๆรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการเข้าใจีเกิดการรู้จักขึ้นมาว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็เมื่อมีตัวรู้เนี่ยตัวรู้ก็สามารถเห็นแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆมันมีความแปรปวนจริงๆนะแล้วมันมีแล้วหมดไปจริงๆ ไอตัวที่จะเห็นสังขารตามความเป็นจริงที่หลวงพ่อบอกเนี่ยคือมันต้องมีตัวรู้คือมีสติเมื่อมีสติมันก็ต้อ ง, ต, องต้องรู้ต้องเห็นเนาะแล้วก็เห็นได้เฉพาะในปัจจุบันนี่แหละเมื่อเห็นแจ้งเห็นแจ้งเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาปัญญาจริงๆก็คือเข้าใจด้วยตนเองได้เลยว่าโอ้ที่แท้เนี่ยมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารเท่านั้นที่เปลี่ยนไปแล้วก็หมดไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรปรากฏเลยนะ นอกจากสังขารเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้จักสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นเาก็เรียกว่าสังขารแล้วก็สังขาร น, นั้นก็ไม่ใช่เราการที่รู้จักว่ามันไม่ใช่เรานี่แหละคือหนทางของความพ้นทุกข์เพราะที่มีทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เข้าใจเรื่องสังขารเข้าใจผิดโอ้ยผิดอย่างมากเลยเข้าใจผิดว่าสังขารเป็นเราโอ้ย เนี่ยเนี่ยมันมันเข้าใจผิดตรงเนี้ถึงมันได้ทุกกันเนาะอืมแต่ถ้าเข้าใจถูกสังขารมันก็คือสังขารสังขารมันเป็นเราไม่ได้เพราะเราไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอนัตตาเราไม่มีเลยนะเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเราไม่ได้ปรากฏมาเราไม่ไม่มีอะเพราะฉะนั้นมันมีแต่สังขารเท่านั้นเมื่อมีแต่สังขารเท่านั้นเนี่ยคือคือมันมันเหมือนกับว่ามันมันจบไปเลยอ่ะเมื่อเราไม่มีแล้วก็คือไม่มีใครทุก มีแต่สังขารเปลี่ยนแปลงไปเกิดดับเกิดดับไปแต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้รองรับว่าสังขารเป็นเราอย่างเนี้มันก็เป็นความหลุดพน้นหลุดพ้นได้อะไรหลุดพ้นเพราะรู้ไงหลุดพ้นเพราะมีปัญญารู้มีปัญญาว่าสิ่งที่ปรากฏมันเป็นแค่สิ่งเกิดดับมันเป็นแค่สังขารไอ้รู้แบบนี้เขาเรียกว่ามันจึงเป็นรู้มันรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันรู้คือเมื่อก่อนไม่รู้นะเมื่อก่อนไม่รู้ เขาเรียกว่าอวิชชาแต่เมื่อรู้แล้วเขาเรียกว่าเป็นวิ ช, ชาขึ้นมาเมื่อเป็นวิ ช, ชาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏความเป็นอ่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพบคืว่าไม่ปรากฏอ่าการมีพบมีชาติหรือการอุปาทานอะไรต่างๆก็จะไม่มีสิ่งนั้นเลยเพราะเป็นวิ ช, ชาไปแล้วก็ได้แต่รู้ความจริงแล้วก็ไม่หลงในสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับว่าเป็นเราอีก การที่ไม่หลงมยึดถืออย่างนี้รู้แจ้งแบบเนี้มันจึงดับอวิชชาคือดับความไม่รู้เพราะฉะนั้นในเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยจึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติเราจะรู้อะไรมามากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับรู้ตัวเองเท่ากับรอบรู้ในกองสังขารทำไมอ่ะทไมนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิชาการต่างๆคนที่เรียนเยอะๆแต่ไม่ได้เรียนพุทธศาสนาเนี่ยทไมเขามีทุกข์ก็เพราะว่าเขา ไม่มีวิชาคือเขาไม่เข้าใจเรื่องสังขารแต่เขาเขาอะมีความรู้อย่างนั้นเพราะว่าเป็นความรู้แบบทางโลกเนาะก็ใช้ประโยชน์ในการท ร, รมาหากินในการที่จะออบอกกล่าวเรื่องของออธรรมชาตินะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ตราบใดเขาไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเองแต่มันเป็นสังขาร ตราบใดที่เขาไม่รู้ตรงนี้นะถึงเขาจะรู้ขนาดไหนไม่มีวันพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าจะมีความรู้กี่ชาติกี่ภพก็ตามเพราะฉะนั้นนะ่สิ่งสำคัญเนี่ยที่ละเลยไม่ได้คือต้องกลับมารู้ตัวเรารู้ว่าตัวเราจริงๆมันก็คือสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เราที่แท้จริงอ่านี่หลวงพ่อก็เกินมาเพื่อให้เข้าใจในภาพรวมว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันพ้นทุกข์ได้ก็คือเพราะมีปัญญาเนี่ยรอบรู้ในกองสังขารแล้วไม่ยึดถือ มันก็คือเส้นทางที่จะออกจากทุกได้ทีนี้มันมีลองยมลองดูตรงนี้นะว่าจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยมีสิ่งนี้คือมีอะไรก็คือทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาอย่างนี้คือโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมเนะาะปรารถนาที่จะให้ไปได้ไปมีไปเป็นอะไรบางอย่างซึ่ง ออตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือมันเป็นอะไรนะเช่นหลวงพ่อพูดถึงว่าเช่นทุกคนอยากจะได้หรือว่าปรารถนาที่จะให้เราพ้นทุกข์อันนี้แน่นอนนักปฏิบัติเนี่ยตรงนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยไม่มีทุกข์หรือว่าปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์หลวงพ่อจะอธิบายแบบนี้ ก็คือว่ า, าขณะที่ดําริหรือพูดขึ้นว่าเราเนี่ยปรารถนาที่จะให้เราพ้นทุกตรงเนี้ยอันเนี้ยเคยเรียกว่าเป็นการปรารถนาด้วยความเป็นตัวตนนะด้วยความที่ว่ายังมีตัวตนคือมีเราแล้วก็ปฏิบัติถึงขั้นที่ว่าให้เราเนี่ยไม่มีทุกข์หรือว่าพ้นทุก์ไปเลยอันเนี้ยมันหลวงพ่อก็จะบอกว่าถ้า ยังเข้าใจยังเข้าใจผิดผิดว่ายังมีเรานะอย่างเงี้ยถึงปรารถนาสักเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันจะพ้นทุกได้เหตุที่ไม่มีวันจะพ้นทุกได้เพราะว่าเข้าใจผิดว่ามีเรานะเข้าใจผิดว่ามีเราเป็นทุกข์แล้วก็เราผู้เป็นทุกข์เนี่ยปรารถนาที่จะให้มันพ้นทุกข์เสียอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นความเห็นผิดเห็นผิด แต่นี้การพ้นทุกเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากเห็นผิดให้เป็นเห็นถูกเสียว่าเราไม่มีมีแต่สังขารเท่านั้นที่มันมีทุก์ในตัวของมันเองมีทุก์ที่มันบีบคั้นให้ต้องแตกต้องดับนะมันก็คือไอตัวสังขารเองนั่นแหละคือตัวทุกแต่ตัวสังขารไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พ้นทกุก็คือทำความเข้าใจให้ถูกต้องการที่ ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเท่าไหร่หรอกมันเพียงแต่ว่าฟังให้เข้าใจแล้วก็มาสังเกตสังเกตในตัวเองเนี่ยว่าเออมันมีความเข้าใจผิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไหมถ้าสมมติว่าเคยเข้าใจแล้วว่าตัวเองไม่มีแล้วก็บางครั้งบางคราวมันก็หลงลืมไปแล้วก็ไปเข้าใจผิดว่ามีตัวเองอีกแล้ว แล้วก็บ่นพึมพำว่าเนี่ยเราอะยังมีทุกข์เลยไอ้ตรงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดแต่ลืมไปชั่วคราวว่าว่าอันนี้คือเข้าใจผิดแต่ถ้ามีสติปัญญามันผุดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเข้าใจผิดแล้วนี่ก็ในเมื่อเราไม่มีไงแล้วใครจะทุกข์เนี่ยถ้ามันเกิดการเข้าใจถูกแบบนี้ความพ้นทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นนะเพราะเหตุว่าเข้าใจถูก เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เข้าใจถูกกับเข้าใจผิดแค่นี้แหละเรื่องธรรมะเนาะถ้าเข้าใจถูกในขณะปัจจุบันใดว่าไม่มีเราแค่นี้ก็คือพ้นทุกไปแล้วแต่ให้เข้าใจถูกจริงๆเนาะไม่ใช่ว่าเข้าใจถูกแบบแบบท่องจำหรือว่าแค่ได้ยินเนาะให้มันเข้าใจถูกแบบจริงๆเลยอนะว่าโอเมื่อกี้ที่พูดมาว่าเราปรารถนาที่จะให้พ้นทุก แล้วไปเห็นไงไปเห็นสังขารที่กําลังปรากฏสังขารอะไรก็สังขารที่กําลังพูดกําลังคิดนั่นแหละกําลังคิดว่าเอ้ยทาไมเรามีทุกข์เมื่อไหร่เราจะเพ้นทุกข์ก็จะเห็นสังขารจังๆขึ้นมาเลยว่าอ๋อไอตัวนี้เองที่มันหลอกว่าเป็นเราแต่แท้จริงอ่ะมันเป็นแค่ความคิดมันก็คือสังขารเท่านั้นเองนะมันเป็นแค่สังขารที่เกิดตรงนั้นแต่รู้ไม่ทันว่ามันเป็นสังขารถ้ารู้เท่าทันในขณะนั้นเนี่ยมันก็ แ่รู้ว่าอ๋อแทสังขารสังขารมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วแทเนี้ยแล้วก็ความเป็นเราก็จะหายไปดับไปค่ะมีคำถามคะ่ะหลวงพ่อคะ่ะมีผู้ถามนะคะส่งมาว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี้ยคะ่ะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมต่างๆะคะ่ะอืมน ะ, ะดีนะคะนหนึ่งก็ลองฟังดู เอาคําถามที่พูดว่าเอาทวนอีกทีหนึ่งนะที่พูดว่าค่ะ เ, เราจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรค่ะเพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมต่างๆค่ะอ่าประโยคนี้นะเอาแค่ประโยคนี้ในประโยคเนี้ยมันจะมีตัวเราอยู่อยู่คนหนึ่งน ะ, ะแล้วก็ยังตัวเราเนี่ยคือสงสัยคือไม่รู้ว่าแล้วเราเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไงเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม แสดงว่าความสัจธรรมเนี่ยที่ตัวเราคาดหมายเอาไว้เนี่ยเหมือนกับว่ามันอยู่ข้างหน้าซึ่งเราจะต้องไปปฏิบัติให้ถึงนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะทีนี้ด้วยความหลงผิดเข้าใจผิดด้วยความไม่รู้พอไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เอาตัวเราไปค้นหาเพราะตัวเราไม่รู้นี่เนาะไปค้นหาหาแล้วยังไม่เจอก็เลยมาสอบถามตอนนี้มาสอบถามหลวงพ่อว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจริงๆนะ หลวงพ่อจชี้ให้เห็นอย่างนี้ตัวเราที่เป็นผู้ถามมันเป็นต้นทางนะส่วนคําตอบซึ่งยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นปลายทางถ้าเราลืมตัวเราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ตัวเราก็ไอตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นต้นทางเนี่ยมันก็จะตามหาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้ามีสติกลับมารู้ตัวเราผู้ผู้ถามเนี่ย ว่าไอาตัวเราเนี่ยคือขันห้าคือสังขารสังขาร น, นี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นแจ้งอยู่เฉพาะหน้าว่าเอา้อาไอที่ถามเมื่อกี้นี่มันเป็นสังขาร น, นี่มันไม่ใช่เราพอไม่ใช่เราปับ๊บความเป็นตัวเราก็ดับลงพอความเป็นตัวเราดับลงนั่นหมายความว่าตัวเราไม่มีละมีแต่สังขารที่จบไปแล้วคือที่ถามไปเมื่อกี้จบไปแล้วดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีที่จะให้เข้าถึงสัจธรรม มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาที่ไหนวิธีก็คือรู้เท่าทันสังขารที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้ว่านี่แหละสังขารตัวนี้แหละมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการรู้แค่นี้นี่เขาเรียกว่าเกือบเข้าถึงสัจธรรมแล้วเกือบเข้าถึงสัจธรรมเพราะว่าอะไรที่ที่คาว่าเกือบเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแค่สังขารว่า อ, อ๋อไอ้ที่ถามเมื่อกี้นี่ มันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นแค่สังขารเกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานมันยังไม่เกิดเลยมันเพิ่งมาเกิดเนี่ยตอนเข้าครับเนี่ยมันเขเรียกสังขารนี้เกิดแล้วและก็พอสักครู่นี่จริงๆนี่มันดับไปแล้วนะเนี่ยมันดับไปแล้วไอตัวที่ถามมันนะอืมมันดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ถามเมื่อกี้นะมันไม่ใช่เราชัดๆเลยมันเป็นแค่สังขารเกิดดับไอตรงนี้เขาเรียกว่ารู้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่สัจธรรมสูงสุด สัจธรรมสูงสุดอยู่ตรงไหนสัจธรรมสูงสุดคือธรรมชาติที่มารู้ตัวเราว่าตัวเราผู้ถามเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งนะที่มารู้ตัวเราว่าเราเป็นคนถามแล้วรู้ว่าไอ้ไอคนถามเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เป็นแค่สังขารและก็เกิดดบเพราะฉะนั้นสัจธรรมสูงสุดคือธรรมชาติที่รู้เรีว่ารู้ตัวเรานั่ยแหละ เพราะมันรู้ถูกต้องว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราแค่นี้ก็จะพบสัจธรรมสูงสุดสัจธรรมสูงสุดคือธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรากฏตัวนในปัจจุบันนี้ยังไม่ไม่เคลียร์ในสิ่งที่หลวงพ่ออธิบายนะอยากให้ถามอีกถามต่อเนื่องจากที่ถามเพื่อจะได้ตอกย้ำจนให้มันแจ้งใจในปัจจุบันนี้ค่ะ ที น, นี้หลวงพ่อก็จะพูดในเรื่องถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยมีคนใดคนหนึ่งงงกับสิ่งที่หลวงพ่อพูดสิ่งสมมติว่ามีความงงคืองงจริงๆไม่เข้าใจจริงๆว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรนะหลวงพ่อก็จะบอกว่าไอ้ผู้ที่งงอนะผู้ที่งงถ้ารู้ไม่เท่าทันว่ามันคือสังขารมันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นผู้งงแต่ถ้ารู้ รู้ตัวเราในปัจจุบันเนี่ยคือรู้ตัวเราผู้งงเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการแจ่มแจ้งขึ้นมาในทันทีเลยว่าไอ้ตัวเราผู้งงเนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังขารมันไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้งงหรอกมันเป็นสังขารที่มันงงของมันแล้วเดี๋ยวความ ง, งงนี้ก็ดับไปบไปค่ะเ่แล้วอะไรที่มารู้สังขาร น, นี่แหละก็คือสัจธรรมแท้คือธรรมชาติที่รู้อ่าเป็นธรรมชาติที่รู้รู้ว่างงอะ่ะ ซึ่งธรรมชาติที่รู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากสังขารพ้นไปจากความปรุงแต่งเป็นสัจจะธรรมแท้คือไม่ธรรมชาตินี้คือไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดแล้วจึงย่อมไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายย่อมไม่มีความต้องสูญเสียอะไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏรวมถึงไม่มีชื่อด้วยค่ะไม่รู้จะเรียกอะไรดีค่ะ